เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจบุสง ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29พุทธสาคมพุทธสาักรา2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิการงานต่างๆ ยึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนในพระอริยสงสารว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ มีความรู้ที่พวกเราอย่างไม่สามารถรู้เห็นได้เราจึงต้องเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเพื่อศึกษาวิธีที่จะทำให้เราได้รู้ได้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้สรงเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า สองรู้สมงเห็นที่พวกเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นกันก็คือสวรรค์นรกการเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะตาที่เราใช้มองสิ่งเหล่านี้ตอนนี้ถูกปกปิด ด้วยความมืดบอดคือโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ความจริงความจริงที่พวกเราไม่รู้ก็คือความจริงของพวกเราว่าพวกเรานี้เป็นอะไรกันแน่ตอนนี้พวกเราทุกคนก็คิดว่าเราเป็นร่างกายกันอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความจริง เพราะความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทนรงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราเป็นใจเราเป็นร่างทิ่เป็นกายที่ทใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้พาเราไปไหนมาไหนทำอะไรต่างๆให้กับเรา เพราะว่าเราไม่มีร่างกายเราเลยต้องมาใส่ร่างกายนี้มาเป็นเครื่องหมายเครื่องมือเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วพอเราสั่งให้ร่างกายทำไปแล้วก็จะมีผลเกิดขึ้นกับเราผลก็คือ ความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์ความสุขนี่เราก็เรียกว่าสวรรค์ความทุกข์เราก็เรียกว่านารกความไม่สุขไม่ทุกขน์นี้เราก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่นรกนรกก็คือโลกทิปที่เราอยู่กัน ใจของเรานี้อยู่ในโลกที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ใจของเราส่งกระแสความคิดหรือกระแสจิตมาเกาะติดอยู่กับร่างกายแล้วก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเรามาครอบครองร่างกายนี้มาเชื่อมเกาะติดกับร่างกายนี้ ตอนที่อยู่ในท้องแม่พอแม่เริ่มตั้งครรภ์พอเริ่มมีทารกปรากฏขึ้นในท้องจะจิตใจคือเราก็ส่งกระแสความคิดส่งกระแสความผูกพันมายึดมาครอบครองร่างกายแล้วก็อยู่กับร่างกายไป จนกว่าร่างกายจะคลอดออกมาพอคลอดออกมาเราก็ไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเพราะตัวเรานี้ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายตัวเรามีแต่ความรู้สึกนึกคิดร่างกายไม่มีความรู้สึกนึกคิดเราก็เลยไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเรา ก็เราจะเห็นเพียงแต่ร่างกายของเราเรามองไม่เห็นตัวของเราตัวที่เป็นร่างทิพย์เพราะตาที่ใช้ในการมองร่างทิพย์นี้ยังปิดอยู่ยังไม่ได้เปิดออกจึงไม่สามารถมองเห็นตัวของเราได้เราก็เลยไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราพอหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา เราก็เลยต้องมาทุกกับร่างกายเพราะว่าร่างกายของเราเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปพอเราเห็นร่างกายว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเพราะเราคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายแต่ความจริงที่พระุทธเจ้าได้ส่งคนพรมนั้น ทงคตดพบว่าตัวเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวเรานี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกนี้เป็นโลกของร่างกายที่ทํามาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟโลกนี้เราจึงเรียกว่าโลกกธาตุส่วนโลกที่เราอยู่นี้เป็นโลกทิพย์โลกที่ไม่มีธาตุสีดินน้ําลมไฟมี แต่ดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณที่อยู่ในระดับต่างๆ ต, ตามอํานาจของบุญของบาปใจที่ทําบาปก็จะมีความทุกข์ความร้อนก็อยู่ในระดับต่าําใจที่ทําบุญก็จะมีความสุขก็อยู่ในระดับสูงเราแบ่งแยก โลกทิพนี้ไว้สองส่วนด้วยกันส่วนที่มีความทุกข์มีความร้อนเราเรียกว่าอบายส่วนที่มีความสุขมีความเย็นเราเรียกว่าสวรรค์และนิพพานนี่คือที่อยู่ที่แท้จริงของพวกเราแต่ตอนนี้เรามาอยู่กับร่างกาย เราก็เลยคิดว่าโลกนี้เป็นที่อยู่ของเราพอเราจะต้องจากโลกนี้ไปเราก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสีย อ, อกเสียใจเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้เรายังอยู่เรายังไปต่อไปตามอำนาจของบุญของบาป ที่เราได้ทำไว้ถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปใจของเราจะมีความสุขมีความเย็นมากกว่ามีความทุกข์มีความร้อนใจของเราก็จะอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าใจของเราทำบาปมากกว่าทำบุญใจของเราก็จะมีความทุกข์มีความร้อนมากกว่าความสุขมีความเย็น ใจของเราก็จะอยู่ในอบายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สงตัดสรุปได้สงเห็นรู้ความจริงของตัวของพระพุทธเจ้าเองว่าพระองค์ไม่ได้เป็นร่างกายพระองค์เป็นใจเป็นใจที่ไม่มีวันตายแต่ยังเป็นใจที่หลงยังหลงอยู่ จึงต้องมาเกิดแก่เจ็บตายมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะไม่รู้ว่าอะไรทําให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพอพระองค์เห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็มีความปรารถนาที่จะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เลยทรง หาผู้รู้ไปศึกษากับผู้ที่เขากำลังค้นคว้าหาความจริงหาวิธีว่าทำอย่างไรที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ทรงสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชเพื่อที่จะได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าหาความจริง หาวิธีเปิดตาในขึ้นมาอพอเปิดตาในได้ก็จะเห็นว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละคนกันตัวเราอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ต้องปล่อยวางร่างกาย ต้องไม่ยึดติดกับร่างกายต้องไม่ใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้ถ้าเรายังต้องการมีคนรับใช้อยู่เวลาร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้มีคนรับใช้อันใหม่นี่คือสิ่งที่พรจะพุทธเจ้าได้สมค้นพบวิธีที่จะทำให้ไม่ต้อง กลมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายและวิธีที่จะทําให้ใจนั้นได้อยู่ในสวรรค์ไม่ต้องไปอยู่ในอบายก็คือวิธีทําบุญทําบุญก็จะทําให้ได้ไปอยู่ในสวรรค์แล้วก็ไม่ทําบาปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปอยู่ในอบายแล้วก็ให้ ปล่อยวางร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้เลิกจ้างร่างกายเลิกจ้างคนรับใช้หัดทํางานเองตอนนี้เราชอบใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้ใช้ให้ไปหาความสุขต่างๆให้กับเราเวลาเราอยากจะดูอะไรเราก็สั่งให้ร่างกายพาไปดู เวลาอยากจะฟังอะไรก็สั่งให้ร่างกายพาไปฟังเพราะร่างกายมีตามีหูอยากจะกินอะไรก็สั่งให้ร่างกายพาไปกินถ้าเรายังมีความอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากเล่นอยู่เราก็ต้องใช้ร่างกายเป็นคนพาเราไปแต่การใช้ร่างกายนี้มันก็มีโทษ เพราะว่ามันจะทำให้เราต้องใช้ร่างกายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพอร่างกายนี้ตายไปความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาดูว่าตอนนี้คนไหนกำลังตั้งท้องอยู่พอตั้งท้องปั๊เราก็ส่งกระแส จิตของเราไปยึดติดกับร่างกายที่อยู่ในท้องนั้นทันทีนี่คือเรื่องของการมาเกิดของพวกเราเรามาเกิดเพราะว่าเราเคยใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับเราจนติดเป็นนิสัยไม่สามารถที่จะหยุดได้เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติด เวลาติดยาเสพติดนี้เลิกยากเพราะเวลาจะเลิกนี่มันทรมานใจมากฉันใดเวลาที่เราจะเลิกใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้นี้ก็จะทุกข์ทรมานมากไม่เชื่อลองดูสักวันหนึองว่าวันนี้จะไม่ใช้ร่างกายจะอยู่บ้านเฉยๆจะไม่ดูไม่ฟังอะไรจะไม่ดื่ไ ม, ไ, ไ, มไม่รับประทานอะไรตามความอยาก แต่จะให้ร่างกายรับประทานอาหารเท่าที่ร่างกายต้องการคือรับประทานครั้งเดียวก็พอลองอยู่บ้านเฉยๆดูสักวันหนึ่งแล้วก็รับประทานอาหารมื้อเดียวแล้วถ้าต้องการจะดื่มน้ำให้กับร่างกายก็ดื่มน้ำเปล่าอย่าไปดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่น ม, มีรสเพราะว่ามันเป็นความอยาก ถ้าดื่มน้ำปาป่าๆนี้ไม่ได้เป็นความอยากเป็นการให้ร่างกายได้มีน้ำเหมือนกับการหายใจร่างกายต้องการลมหายใจต้องการน้ำลมหายใจเราก็ไม่ได้ใส่สีใส่กลิ่นเข้าไปเราก็หายใจตามธรรมชาติน้ำก็เหมือนกันเราก็ควรดื่มน้ำตามธรรมชาติคือน้ำเปล่าๆ ไม่ควรที่จะไปปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นใส่รสเข้าไปเพราะอันนั้นเป็นการดื่มด้วยความอยากถ้าดื่มด้วยความอยากก็จะต้องมีร่างกายไว้ให้ดื่มอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ดื่มด้วยความอยากเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายดื่มให้ร่างกายแต่ไม่ได้ดื่มให้เราถ้าร่างกายตายไปเราก็หยุดดื่มได้ไม่ต้องให้น้ำแล้ว กับร่างกายอีกต่อไปลองดูสักวันนึงลองไม่ใช่ร่างกายไปดูไปฟังไปลิ้มรสไปดงกลิ่นไปหาความสุขต่างๆจากสถานที่ต่างๆดูซิว่าจะทำได้ไหมเหมือนคนที่งดการดื่มสุราลดงดการสูบบุหรี่งดการดื่มกาแฟงดการดูทีวี งการร่วมหลับนอนกับแฟนอันนี้เป็นการใช้ร่างกายทำตามความอยากทั้งนั้นถ้าเราหยุดไม่ได้เราก็จะต้องกลับมาเกิดต่อไปแต่ถ้าเราหยุดได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายทีนี้วิธีที่จะทำให้เราไม่ใช้ร่างกายได้นี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เราต้องมานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันเพราะการทำใจให้สงบนี้จะควบคุมบังคับความอยากได้จะหยุดความอยากได้ถ้าเราไม่นั่งสมาธิถ้าใจเรามีความอยากเราจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้เดี๋ยวก็อยากดืม่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆเช่นดื่มซูราดื่มกาแฟ เดี๋ยวก็อยากจะดูอยากจะฟังเดี๋ยวก็อยากจะรับประทานขนมนมเลยต่างๆนี่คือความอยากต่างๆที่ทำให้เราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะใจเราไม่มีร่างกายเลยต้องมีอาศัยร่างกายพอได้ร่างกายมาแล้วก็เลยใช้ร่างกายพาให้เราไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทาน เราเลยติดอยู่กับร่างกายพอจะไม่ใช้ร่างกายพอจะเสียร่างกายไปเราก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเวลาไม่สบายนี้เราไม่ไม่สบายเฉพาะไม่ใช่เฉพาะเพียงร่างกายเราไม่สบายใจด้วยเพราะเราไม่สามารถใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างที่เราเคยทำกันเราจงไม่ชอบความเจ็บไข้ได้ป่วย เราไม่ชอบความแก่เพราะเวลาแก่ก็ไม่สามารถทำอะไรเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวทำกันได้แล้วยิ่งความตายนี้เรายิ่งไม่ชอบใหญ่เลยเพราะถ้าตายแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็คิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาแก้เราต้องมาแก้ความหลง เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนเราส่วนกันเป็นคนละคนกันเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตามร่างกายไปร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่อยากจะต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยเรื่อยเราต้องเลิกใช้ร่างกายและวิธีที่จะเลิกใช้ร่างกายเราต้องมานั่งสมาธิกัน เวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราหลับตาเราใช้ธรรมะคือใช้พุทโธพุทโธพุทโธนี้คือสติถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากได้ความเครียดความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้ทำตามความอยากก็จะหายไป ความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากเวลาที่เราเกิดความอยากขึ้นมาพออยากจะดูอะไรอยากจะดื่มอะไรอยากจะกินอะไรพอไม่ได้ดื่มไม่ได้กินนี้จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจดูคนที่อยากจะสูบบุหรี่คนที่อยากจะดื่มกาแฟคนที่อยากจะดื่มสุราเวลาไม่ได้ดื่มนี้เขาจะมีความหงุดหงิดมีความ ไม่สบายใจไม่พอใจจนกว่าเขาจะได้ทำตามความอยากความหงุดหียดความไม่สบายใจถึงหายไปแต่หายไปเดี๋ยวไม่นานก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่แล้วก็เกิดความหงุดหงิดนำคาญใจขึ้นมาใหม่เขาก็เลยต้องทำตามความอยากอยู่เรื่อยๆเพราะเขาไม่รู้ว่าวิธีที่จะ แก้ความหงุดหงิดนั้นแก้อย่างไรเขาก็เห็นวิธีที่เกิดจากการทำตามความอยากพออยากจะดื่มสุราพอได้ดื่มสุราความหงุดหงิดก็หายไปพออยากจะดื่มกาแฟพอได้ดื่มกาแฟความหงุดหงิดก็หายไปแต่มันหายไปชั่วคราวเดี๋ยวเกิดความอยากดื่มกาแฟขึ้นมาใหม่ก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาใหม่วิธีที่จะแก้ความหงุดหงิด ที่ถาวรเราต้องไม่ทำตามความอยากเพราะว่าเวลาเราไม่ทาตามความอยากแล้วความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปครั้งต่อไปมันก็จะมันก็จะไม่มีกำลังมากเราก็จะสู้กับมันได้พอมันอยากแต่ละครั้งเราไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆด้านเดี๋ยวไม่นานไม่กี่ครั้ง ความอยากดื่มกาแฟาก็จะหายไปความอยากดื่มสุราก็จะหายไปความอยากจะสูบบุหรี่ก็จะหายไปเราเลิกได้ของพวกนี้แต่เวลาเลิกนี้มันทรมานใจถ้าเราไม่มีสมาธิมาช่วยสมาธินี้เป็นเหมือนกับตัวที่จะมาบรรเทาความหงุดหงิดลำคาญใจเวลาที่เกิดความอยาก พอไปเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วความอยากจะหายไปพอความอยากหายไปความหงุดหงิดก็หายไปนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงศึกษาทรงค้นพบเป็นวิธีที่เราจะได้เลิอกอาศัยใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้เราเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเวลาร่างกายนี้ตายไป เราก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายใหม่เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามายุติการใช้ร่างกายกันด้วยการให้ถือศีลแปะศีลแปนี้ก็คือเครื่องมือที่จะทำให้เราหยุดใช้ร่างกายเพราะผู้ที่ถือศีลแปนี้ก็จะร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้กินอาหารตามความอยากไม่ได้ กินได้เฉพาะตามความต้องการตามความจำเป็นของร่างกายคือไม่ให้กินมากเกินไปกินหลังจากเที่ยงวันก็ให้หยุดกินแล้วก็ไม่ให้ไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆมหัศลพอะไรต่างๆก็ไม่ดูไม่เสพไม่เสริมความงานของร่างกายแล้วก็ไม่นอนมากเกินไปเพราะการนอนมากๆ ก, ก, ก็เป็นการหาความสุข จากการหลับนอนของร่างกายถ้านอนถือสิงแปได้เราก็จะมีกำลังที่จะมานั่งทำใจให้สงบได้ถ้าเราทำใจให้สงบได้ต่อไปเราก็จะเลิกความอยากต่างๆได้ทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย เพราะเราไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกแล้วเรามีสิ่งที่ดีกว่าเป็นที่พึ่งก็คือความสุขที่ได้จากการหยุดความอยากความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่ ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปเราก็มีความสุขเหมือนเดิมเพราะเราไม่ต้องใช้ความสุขของทางร่างกายแล้วเราใช้ความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบทำใจให้หมดความอยากนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตย์ในทรงปฏิบัติจึงทำให้พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพวกเรา แล้วพอพระองค์นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ไม่รู้ผู้ที่สามารถปฏิบัติตามได้ก็สามารถหยุดความเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้ที่มารับรองความจริงของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงถ้าผู้ใดได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า เรายังสงสัยอยู่ก็ให้ไปถามผู้ที่เขาได้ปฏิบัติตามและได้เห็นผลแล้วคือพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่เป็นคนที่มีตัณหาความอยากเหมือนพวกเราแต่พอได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติไปถือศีลแปดไปนั่งสมาธิ ไม่ใช่ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายไม่ใช่ร่างกายเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทปะพอเขาปฏิบัติได้เขาก็หยุดความอยากต่างๆได้หยุดความทุกข์ความหงุนหญิลรำคาญใจต่างๆได้เขาก็เป็นผู้ที่มารับประกันคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ผู้ใดปฏิบัติตามได้ผู้นั้นก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นพวกเราไม่ต้องสงสัยขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการมาสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นแล้วสิ่งที่พวกเราให้พระพุทธเจ้านี้ไม่มีความหมายอะไรเงินทองนี้ไม่สามารถที่จะ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อให้อะไรพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไรก็สู้สิ่งที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ไม่ได้ก็คือการได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรืออะไรก็ตามไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีความต้องการอะไรจากเรา จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาโกหกเราคนที่เขาโกหกเขามักจะต้องการอะไรจากเราเขาถึงโกหกเราหลอกลวงเราแต่ถ้าเขาไม่ต้องการอะไรจากเราเขาจะมาโกหกหลอกลวงเราให้เสียเวลาทำไมพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้า ส, สอนนี้เป็นประโยชน์กับเราจริงๆไม่ได้โกหกเลยแต่พวกเรายังไม่รู้กันเท่านั้นเอง ดังนั้นเราต้องเชื่อนล้วนำเอาไปพิสุน์เพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้เป็นสิ่งที่เราพิสูน์ได้เป็นเหมือนยาที่หมอให้เรามาเวลาเราไปหาหมอเวลาเราไม่สบายไปหาหมอหมอก็ให้ยามาหมอบอกเอายานี้ไปกินกินแล้วจะหายเราจะเชื่อหมอหรือไม่เชื่อหมอถ้าเราไม่เชื่อหมอเราไม่กินเราก็จะไม่รู้ว่า อย่างนี้หายหรือไม่หายเหมือนกันสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่พิสูจน์เราก็จะไม่ทำตามเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องเชื่อเราต้องนำเอาไปพิสูจน์เอาไปปฏิบัติ แล้วพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้เองว่าจริงหรือไม่จริงคนที่ได้ปฏิบัติแล้วทุกคนก็นรับรองกันทั้งนั้นว่าเป็นความจริงเพราะคนที่ปฏิบัติก็ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันทุกคนนี่คือสิ่งที่พวกเรามาวัดมาหากันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาศึกษาคำสอนเพื่อที่เราจะได้นาเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะทาให้เรา จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจึงขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปปฏิบัติแล้วประโยชน์สุดคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการศนาก็พอสมควรแก่เวลา